17, ตีในทางตื่นนอนตอนเช้าหยิบมีดโกนหนวดมาโกนหนวดรู้สึกว่าเจ้ามีดโกนช่างคมเอางานเอาการดีเหลือเกินโกนไปก็นึกชมไปว่ามีดโกนนี้ช่างดีจริงทีนี้ลองเอาเจ้ามีดโกนดีของเราลองไปผ่าฟืนดูบ้างมันเกิดไม่เอาเรื่องสู่มีดโตไม่ได้ส่วนมีดโตที่ใช้ผ่าฟืนโครมโครมทุกวัน เราชมนักว่ามันดีลองเอามันมาโกนหนวดแทนมีดโกนดูบ้างก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันถ้าเช่นนั้นคำว่าดีหรือไม่ดีจะให้เข้าใจว่าไรแน่ละ่ะของต่างอย่างมันก็ต่างดีคือดีคนละทางสองทางเข็มดีทางเย็บผ้ามีดพระดีทางฟันทั้งโลกทั้งธรรมก็ยอมรับว่าดีแล้ว ไม่ต้องคิดไปไกลให้เสียสมองเสื้อกางเกงหมวกรองเท้าซื้อมาด้วยเงินร้อยเงินช่างความจริงมันก็ดีกันคนละทางดีเฉพาะที่เขาดีเท่านั้นเสื้อดีที่สวมร่างกายท่อนบนกางเกงดีที่สวมร่างกายท่อนล่างหมวกดีที่สวมบนศีรษะรองเท้าดีตรงที่สวมเท้าดีอย่างนี้เป็นดีดั้งเดิม ดีตามวิถีทางของเขาจริงๆไม่ว่าของเหล่านี้จะได้ไปอยู่กับตาสีตาสาหรือได้ไปอยู่กับเจ้าใหญ่ในโตอย่างไรเขาก็ต้องดีของเขาทางนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ต่างหากที่จะศึกษาดูให้รู้แน่ว่าอะไรดีทางไหนแล้วใช้ให้ถูกที่ดีของเขาถ้าผู้ใช้อยากแสดงอิทธิพลใช้มันกลับที่กันเสีย หรือผู้ใช้ก็ไม่ได้ใช้พละงอำนาจแต่เจ้าสิ่งของพวกนี้เกิดดิ้นรนไปหาดีนอกทางของตัวเองเช่นเป็นต้นว่ารองเท้าไปแย่งเข้าแทนที่หมวกหรือกางเกงเกิดไปเข้าแทนที่เสือ้อยุ่งละสิพลาดท่าเลยเสียไปด้วยกันทั้งคนทั้งของลองไขว้กันดูเพียงแต่อย่างได้อย่างหนึ่งก็รู้รับรองว่าเดินยังไม่พ้นปากตอกต้องเสียคนแน่ ไม่ต้องพูดถึงมีดพระเสื้อกางเกงซึ่งเป็นของเกิดมาจากคนละทิศคนละทางแล้วมามีดีต่างกันแม้แต่อวัยวะตาหูจมูกลิ้นในตัวเราแท้ๆมันเกิดมาด้วยกันกินอยู่หลับนอนด้วยกันและตั้งภูมิลำเนาห่างกันไม่ถึงคืบเขาก็มีดีกันคนละทางตาดีทางดูหูดีทางฟังจมูกดีทางดมลิ้นดีทางชิม พระท่านเรียกอวัยวะเหล่านี้ว่าอินซีแปลว่าผู้เป็นใหญ่คือใหญ่ในทางที่เขาดีนั่นเองไม่มีการก้าวก่ายเช่นเป็นต้นว่าพอขึ้นต้นเดือนนายพาไปขึ้นเหลาบ่อยๆเห็นหมูเห็ดเป็ดไก่แยะๆพวกหูพวกตาเกิดจะขอทำหน้าที่ลิ้นแต่พอตกปลายเดือนเช้าน้ำพริกเย็นน้าพริกพระนี้กันหมด ปล่อยให้ลิ้นทนสู้อยู่เดียวดายทั้งแสบทั้งร้อนไม่ใช่อย่างนั้นแต่และอย่างมีวัฒนธรรมดีนักรู้จักรอกันรู้จักช่วยเหลือกันตอนนายขึ้นเหลา่าตารอลิ้นแต่ตอนนายเข้าโรงหนังลิ้นรอตาเหตุการณ์ก็สงบเรียบร้อยมาโดยตลอดคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งนี้ก็มีดีกันคนละทางสองทางแล้วแต่เรื่องของใครจะดีทางไหน ทหารดีทางรบทัพจับศึกตำรวจดีทางปราบปรามโจรผู้ร้ายครูดีทางสอนนักเรียนดีทางเรียนพระดีทางรักษาศิขฐวินัยชาวบ้านดีทางธมาค้าขายเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดังนี้เป็นตน้นทีนี้ใครเป็นอะไรก็มุ่งหน้าพยายามหาดีในทางของตนให้ได้ไม่ใช่เที่ยวหาดีนอกทางแล้วทิ้งดีที่ตนควรจะมีเสีย เวลาตัวเป็นโยมเกิดจะเอาดีทางสวดสรรพัญญาแต่ครั้นบวชเป็นพระเกิดจะเอาดีทางร้องเพลงเป็นเรื่องหาดีนอกทางหรือเป็นคนนอกเรื่องดูน่าเกลียดนักฉะนั้นทุกคนควรจะระลึกไว้เสมอว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรแล้วเป็นอย่างที่เราเป็นนี้จะต้องดีทางไหนรู้แล้วจงบากหน้าพยายามหาดีให้ได้สมกับที่ตัวเป็น ถ้าเป็นอะไรแล้วดีไม่ได้ก็ควรจะเลิกเป็นเสียไปหาเป็นอย่างอื่นที่ตนจะดีได้จะได้เป็นคนดีมีดีกับเขา